ทุกท่านมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจให้ตลอดพรรษาการที่จะถึงนะ่ะให้ตลอดลอดฟังถ้าไม่จําเป็นจริงๆถ้าจําเป็นจริงๆก็อย่างที่พูดเมื่อเช้านนะี่น่ะแต่อย่าไปหาทางออกให้กิเลสถ้าจําเป็นจริงๆมันมันหาทางออกได้ เอามันแน่นหนามั่นคงจริงๆเอาชนะกิเลสให้ได้อันนี้พวกเราทุกท่านควรจะเอาชนะกิเลสได้ความเด็ดเดี่ยวอาถานพ์ทำไมถึงขนาดนั้นเราก็ควรจะเอามาอสักกระบี้หนึ่งไม่ไม่ถึงครึ่งเอางั้นเถอะเอามาสักยังความมั่นคงความอดทนเอามาใช้กับ ัวของเราบ้างอย่างน้อยก็นั่งให้ได้สักสองสามชั่วโมงได้ไหมไม่ถึงทั้งคืนหรอกเราพยายามนั่งแต่พวกเราถึงจะไม่เอาขนาดนั้นก็ได้สักสองสามชั่วโมงเนี่ยก็จะไม่ดีเหรอทดสอบทุกทองเลยที่เราอดกั้นอย่างอื่นเราขันติกับอย่างอื่นเราก็เคยขันติความอดทนมาพอสมควรแล้วแต่เรามาอดทนกับสติปัญญากับ ความภาคความเพียรของเราเนี่ยเราจะภาคภูมิใจเป็นนานเท่านานทีเดียวอการทําความภาคเพียรเพราะฉะนั้นพวกเราให้สู้ทดลองในสิ้นสู้เพราะนั้นแต่คําคว่าสู้เนยถึงขนาดนั้นแหลอท่านทําความภาคความเพียรความพยายามครูบาอาจารย์ที่ท่านภาคเพียรปฏิบัติหาทางพ้นทุกข์ถึงขนาดนั้นแหละไม่ใช่ว่าจะนอน ก่และนินกินและนอนอ่าฝนตกลินดินพอมพอมเลทั้งที่จะลุกนั่งภาวนานานานานยิ่งเรียนตกหอมนอนสบายมันเย็นดีฮะเนีมันตรงกันข้ามกับพวกเราเนีครูบาอาจารย์เวลาฝนตกลินพอมพอมเนี่ยท่านนั่งภาวนาสู้บําเพ็ญจิตตภาวนาเอาอย่างสุดๆุดแต่พวกเราพอวันวันไหนฝนตกลินพรมพอมเรา นอนเหยียดสู้อย่างสุดๆเอาผ้าขอมเหมือนกันะแน่มันตรงกันข้ามอย่างนั้นน่ะกิเลสกับธรรมขอให้พวกเราทุกๆท่านนะี่ะที่พูดทางนี้ทางนั้นก็เป็นการแกล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันขอให้พวกเราทุกท่านนะ่ะนําไปคิดนําไปพิจารณาให้มีกําลังใจในการภาคเพียนบําเพ็ญจิตตะภาวนาให้มีความกล้าแข็งมั่นคง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 อันนี้มันก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์อาศัยการได้ยินได้ฟังนะี่ยบางคนก่อนั่งภาวนาจิตสงบก่อนั่งอยู่อย่างนั้นหลักคิดว่าเมื่อจิตสงบแล้วก็จะเกิดปัญญาเองเอจะเกิดปัญญาเองจะนั่งพอจิตสงบแล้วจิตมันจะเป็นสมาธิแล้วก็จะเกิดปัญญาเองผู้คิดอย่างนั้นผู้เป็นอย่างนั้นมีมากนะในภาคปฏิบัติของเราเยบางคนก่อนเกิดปัญญาได้นะ ไม่ใช่ว่าไม่เกิดเกิดได้แต่พวกนั้นต้องเป็นพวกพิเศษสักหน่อยก็บอกพวกคิ ป, ปะปิญญาพวกรู้ได้เร็วพวกนั้นพอนั่งภาวนาจิตสงบ ป, ป, ป, ป, ป, ป, ปุ๊บลงไปมันจะกระโดด ป, ปุ๊บไปเห็นอสุภะปฏิกูลอะไรขึ้นมาอย่างนั้นเห็นร่างกายของตัวเองเห็นร่างกายของคนอื่นเห็น ร, ร่างกายตัวเองนอนลงไป ท่านก็กำหนดจับขึ้นมาพิจารณาเลยพิจารณาก็ร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นไหมมันเน่ามันเปื่อให้เห็นต่อหน้าอยู่แล้วมันจะเป็นตัวเราได้ยังไงเราจะไปยึดไปถือได้อย่างไรมันเกิดปัญญาขึ้นมาจากนั้นท่านก็ปล่อยวางอันนี้คือว่าพวกนี้มีอยู่พวกนี้พวกคีปปะพิญญาพวกรู้ได้เร็ว แต่พวกทันธาภิญญาเนี่ยเมื่อจิตสงบลงไปแล้วมันจะสงบนิ่งสบายมีความสุขเหมือกนกับเรากินอิ่มแล้วก็เข้าไปนอนในห้องแอร์อย่างนั้นแ่ะเย็นสบายเมื่อเราเข้าไปนั่นงในสมาธิเมื่อเข้าจิตใจของเราเข้าสมาธิมันเป็นอย่างงั้นแ่ะแต่มันไม่บิดตกกังวลกับอะไรทั้งหมดกําหนดจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วก็สบายพักอยู่นั้นนะไอ้นี่จิตเป็นสมาธิ มันไม่เกิดปัญญาทีนี้เราจะทำยังไง เ, เมื่อกิตเป็นเป็นสมาธิอย่างนั้นก็บังคับให้ออกนะบางคนนะอทําไมบังคับมันไม่ออกเลยมันเข้าไปอยู่ในห้องแอร์แล้วมันไปนอนอยู่นั่นแหละมันไม่ออกทําการทำงานมันไม่เกิดประโยชน์ทีนี้ต้องบังคับให้มันออกอันนี้ว่าจิจเป็นสมาธิหลงในสมาธิติดในสมาธิ บางคนอพอภาวนาเข้าไปเนะี่ยกลัวสมาธิอะไรอ่างั้นเถอะกลัวมันจะติดสมาธิพอได้ยินท่านว่าติดสมาธิก็เลยกลัวอก็เลยไม่เป็นสมาธิเป็นแต่สัญญากับสังขารอยู่อย่างนั้นน่ะมันไม่รู้ลดอย่างั้นเถอะทีนี้ใช้ไม่ได้อีกอย่างนั้นตามมันจริงให้มันติดดูให้มันเข้าดูสมาธิเป็นยังไงเมื่อเราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์แล้วเนะี่ยเรามีช่องมีทางที่จะบังคับมันออกเ อ, อจิตเรานี่ เข้ามาถึงระดับนี้ติดสมาธิจริงๆเองเราก็ควรจะออกเราควรจะใช้ยังไงเนี่ยมันก็เกิดปัญญาได้เมื่อเราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์แล้วไม่ใช่ว่าเอาพอจะนั่งสมาธิกลัวติดสมาธิเ ห, เหมือนกับขี้ทุกนันขนะี้ทุกไม่อยากรวยว่างั้นเถอะไม่อยากมีเงินกลัวจะติดเงินกลัวจะติดสมบัติเอพอได้เงินมาจริงๆติดจริงๆว่างั้นเถอะแปลว่ามันโง่มันก็ติดเลยสิ ถ้าไม่ง่จะไปติดทำไม เ, เงินได้มาก็เป็นของใช้จําเป็นต้องไหนใช้มันจะไปติดมันทำไมอันนี้ก็เหมือนกันนะนะั่นแหละถ้าโง่ก็ติดไดสมาธิก็ติดสมาธินั่นะถ้ามีปัญญาเมื่อได้ยินได้ฟังจากพ่อแม่ครูบ า, าอาจารย์จากเทปจากหนังสือของท่านแล้ว น, ะนั่งสมาธิจิตเวลาพักกับพักทำมันจิตก็สู่ความสงบ เมื่อถอนจากความสงบก่อนนำมาพิจารณาวิธีการปฏิบัติต้องลักษณะอย่างนี้เข้าสมาธิก็เข้าให้ได้นำมาพิจารณาก่อนนำมาพิจารณาให้ได้แต่บางคนก็ไม่สมาธิไม่จำเป็นอันนั้นเกินไปเกินกว่าพระพุทธเจ้าเกินกว่าพระแม่ครูบาอาจารย์เกินกว่าตำหลับตำลาบวตปาฏสมาธิ S <S แต่บางคนก็อาจจะใช่เมื่อฟังเทศแล้วก็กําหนดตามที่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านพาปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นวิธีปฏิบัติต้องเดินอย่างนั้นต้องเดินมักอย่างนี้อย่างนี้ต้องเดินวิปัสสนาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็พยายามเดินตามที่ท่านแนะนําสั่งสอนเดินย่องตามหลังท่านเหมือนนั้ย่องตามคําพูดของท่านเหมือนั้นเถิดเดินไปกําหนดกิจตามตามไปที่เราได้ยินได้ฟัง พอเข้าใจแล้วก็วางเพราะเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้เี่ยท่านผู้บอกผู้ที่ย่องตามเราก็ทิ่มเพ้อเหมือนกันอย่างที่ท่านพูดผลที่สุดท่านก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลมีมากในครั้งพระพุทธเจ้าของเราอันนี้แปลว่าฟังเทศจากพระพุทธเจา้าฟังเทศกับพระอรหันต์ท่านผู้รู้แสดงให้ฟังเราก็พยายามตามที่ท่าน อธิบายให้ฟังท่านพูดเรื่องศีเลเราก็กําหนดศีลของเราข้อไหนขาดตกบกพร่องบ้างจากนั้นท่านก็พูดเรื่องสมาธิวิธีทําสมาธิจำไงแล้วก็กําหนดตามที่ท่านากําหนดตามที่ท่านบอกจากนั้นเราก็ท่านให้พิจารณาทางด้านปัญญาวิปัชนา้าวิปัชนานี่กว้างขวางาบางทีท่านจะออกเหลี่ยมไหนท่านจะออกแง่มุมไหนถ้าพระพุทธเจ้าทันเทศท่านจะมองเวลาท่านจะแสดงธรรมนี่ ท่านจะมองดูหัวใจพุทธบริษัทที่มานั่งฟังวันนี้เราจะแสดงธรรมเรื่องอะไรจึงจะเป็นที่สบายสำหรับพุทธบริษัทเ น, นี่ยอนันพระพุทธองค์ท่านรู้สก่อนท่านจึงแสดงธรรมพอฉันแสดงปุ๊บคนไหนที่จะได้มรดยผลก็ชี้นาอะไรแค่วาดิ่งสิจุดนั้นเลยว่างั้นเถะคนคนนั้นเลยเท่านรู้แล่ว่าใจคนนั้นเป็นยังไงถ่าแนะนำบอกบอกบอกไปคนนั้นก็ตามตามตา ม, ตามหลัง พอจากนั้นอืได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลป่นะิท่านก็เออนี่เทศครั้งนี้ไม่เปล่าประโยชน์คนนั้นเขาหลุดพ้นจากกิเลสได้แล้วเกิดประโยชน์ถึงจะใครจะเป็นยังไงคนอื่นเอาว่ากันไปอีกทีหลังแต่คนนั้นผ่านพ้นไปแล้วอยกข้ามฝังไปแล้วถึงฝังแล้วแห่งแดนกเกษมแล้วอันนี้คือการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าของพวกเราอืแต่มาถึงยุค ของพวกเราเนี่ยเอาแนะนำสั่งสอนกันหลายแง่หลายกระทงหลายร่หลายเลียมแล้วแต่พวกเราจะนำไปประพฤติปฏิบัติใครจะจับเอาตรงไหนได้อย่างไรมากน้อยแค่ไหนอย่างที่พ่อแม่กูบาอาจารย์เทศในเทปในหนังสือนะั่นแหละจากนั้นเราก็ น, นำเอามาปรปับปรุงแก้ไขการกระทำของเราทางกายทางวาจาทางใจนั่นแหละให้มันเกิดประโยชน์นไม่ใช่บอก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 พราะฉนั้นการฟังให้ตั้ออตั้งใจฟังต้ง อ, อกตั้งใจสังเกตที่ท่านพูดเรื่องอะไรจากนั้นก็นํามาปรับปรุงแก้ไขการกระทําของเรานั่นแหะการฟังเทศเกิดประโยชน์ถ้าเราไม่ได้ทําอย่างนั้นไปว่าเปล่าประโยชน์นะแต่ก็ได้บุญอยู่ได้บุญระดับนึงนะเพราะเกิดศรัทธานะก็ได้บุญอยู่แต่ไม่เกิดปัญญานะทางว่าฟัง ในบุญด้วยทั้งเกิดจิตปัญญาด้วยอันนั้นละ่ะเลิดประเสริฐั้นการฟังธรรมเทศนาฟังแนวความคิดของครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนกขานํำไปประพฤติปฏิบัติด้านน่นะสำหรับพวกเราเบื้องต้นก็ได้พูดหลายครั้งต่อหลายหนสำหรับนักปฏิบัติเบื้องต้นเรา ควรจะกำหนดลมหายใจเข้าออกนั้นลหละเป็นหลักพร้อมกับบริกรรมพุทโธให้พุทโธอยู่ในใจของเราให้มันถียิบเลยอย่าให้มันจิตใจปุงฟุ้งออกไปข้างนอกเวลานั่งสมาธิกับนั่งอย่างที่พระประธานที่อยู่ตรงตรงหน้าของพวกเรานี่แหละท่านนั่งอย่างไรก่นเราบอกนั่งอย่างนั้นแหะ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 ม่เอียงซ้ายเอียงขวามาเอียงหน้าเอียงหลังนี่นนนคือการนั่งสมาธิ อ, อ, อย่าไปพิงถ้าพิงมันหลับทั้งวันนะมันหลับอันนี้ก็คือวิธีในการนั่งสมาธิก่อนที่จะนั่งกับประนมมือขึ้นระหว่างอกออไหวครูซะก่อนพุทโธธรรมโอสังโฆรละลึกถึงพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านอบรมแนะนําสั่งสอนให้พวกเรารู้จัก การปฏิบัติต่อศีลธรรมต่อสมาธิธรรมกาบให้ลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์จบแล้วเ้วก่อนเอามือลงนะจากนั้นก็กำหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทธโทพุทธโทไปจ้องส่งจิตไปที่อื่นอันนี้คือวิธีปฏิบัติสำหรับผู้เริ่มเบื้องตน้น ต่ น, นี้ผู้ปฏิบัติ อ, อันดับต่อไปบางครั้งเราก็ทำจิตให้สงบได้พอนั่งเข้าไปจิตใจสงบเย็นสบายมีความสุขแต่บางคนพอนานๆไปรู้สึกว่าจิตมันคึกมันขนองขึ้นมาได้บ้างอย่างเมื่อไม่นานมาเนี่ยมีโยมมาถามหลวงพ่อ ดิฉันนั่งภาวนาไปแล้วแต่ก่อนจิตใจเย็นสบายมีความสุขกำหนดลมหายใจเข้าออกออ ก, ก็รู้สึกว่าอยู่กับลมเข้าออกไม่ได้มีวิตกไม่มีวิจารนะมีไม่มีอะไรให้สงบก็สงบบางทีก็คิดเรื่องอะไรก็รู้สึกว่าปลอดโปร่งดีมากแต่พอมาช่วงล่างหลังมีธุระการงานเข้ามาเกี่ยวข้อง มันมีปัญหาเกี่ยวกับคู่คนบ้างก็เลยทำให้จิตใจปั่นปวนลวนเล่ห์ภาวนาก็รู้สึกว่ามันเข้าไม่ได้เหมือนตะก่อนแล้วเราจะทำอย่างไรแต่ใจในี่ทุกข์เหลือเกินเพราะเราเคยจิตใจสงบทำไมเราจึงถอยหลังเข้าคลองขนาดนี้เขามาถามนะทำไมใจจึงถอยหลังเข้าคลองขนาดนี้ ทั้งที่มันจะก้าวหน้าไปมากกว่านี้ทำไมมาเจออย่างนี้แล้วทำไมมันไม่ได้เรื่องเลยมันทุกข์จริงๆใจร้อนจริงๆฝ่สุดมันห่อเหี่ยวจริงๆจิตใจหาความสงบสุขไม่ได้เพลอๆยังอาลวาดผู้อยู่ใกล้กใช้อีกทั้งที่แต่ก่อนมันก็ไม่เคยเป็นว่าไงเนี่ยอันนี้ก็คือใจของเราเนี่ยมันส่งนอก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 ไปเอาภาพโครงกระดูกที่ไหนก็ได้หรือไปโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้หรือเราเห็นภาพที่ไหนก็ได้หรือเราไปเห็นโครงกระดูกอยู่วัดไหนเราเคยกาหนดดูไหมเราเคยเห็นไมโครโครงกระดูกเป็นยังไง <E <monsieur> ทีนี้เราเอาภาพโครงกระดูกที่เขาพิมพ์พกการแพทย์เขาพิมพ์มาแล้วก็มาดูโครงกระดูกคน <E <universes> เป็นยังไง แต่เราดูให้สังเกตนั่งดูให้สังเกตให้รูปนั่นดูตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงขาถึงแขนถึงทุกส่วนของร่างกายจากนั้นก็ดูจากนิ้วเท้าขึ้นมาแต่จะไปดูที่นิ้วเท้าที่มันเป็นเนื้อเป็นหนังนะวะให้ดูกระดูกอย่างเดียวให้กาหนดดูกระดูกอย่างเดียวไม่ตรองดูอย่างอื่นให้ดูกระดูกให้เห็นแต่กระดูก ร่างกายของเราเนี่ยมีโครงกระดูกเป็นแกนกลางถ้าไม่มีกระดูกน่ะถึงจะมีหนังหุ้มอยู่มันก็เหมื้นกับกองอะไรเมือ่อกระถุงย่ามหรือถุงอะไรใส่ของอะไรทิ้งไว้น่ะกองกับดินอย่างนั้นแหละเพราะไม่มีกระดูกถ้ามีกระดูกเนี่ยมันก็เป็นโครงยืนได้นั่งได้นอนได้ะ ทีนี้เราให้มนันเป็นโครงกระดูกเราดูให้ดีจากนั้นเราก็มานั่งพอนั่งภาวนาขัดสมาธเสร็จเรียบร้อยกับปนมมืออย่างที่ว่านั่นนะแหละแล้วลึกไหว้ควรูไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นึกพุทโธธรมโมสังโฆเสร็จแล้วจากนี้ไปข้าพาเจ้าจะนั่งสมาธิกําหนดร่างกายทั้งหมดให้เป็นกระโดดเราก็า ว, าว่าอย่างนั้นท่นี้จากนั้นเราก็กําหนดดูกระโหลกศีรษะก่อน กะโหลกศีรษะของเราเนี่ยมันเป็นฟันหยักๆๆๆมันผ่ากระโหลกไปหาถึงท้ายทอยแล้วกักะโหลกฟันหยักๆจากหูข้างหนึ่งไปหูข้างหนึ่งสรุปแล้วก็คือที่เห็นเห็นมันเป็นสี่เฟีย ง, ง เ, หเหมือนเขาเขาเรียกว่าเข้าฟันม้าตาย น, นอะอมันเหมือนกับเขา้าเข้าฟันกันเขาล็อกกันะเป็นกระโหลกคน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 เออมันมีลิ้นน่ะมีแต่ฟันน่ะเออมันเป็นยังไงขาการไกลที่มันติดกับตรงไหนจากนั้นก็มาถึงคอเนี่ยกำหนดถึงคอคอเป็นข้อคอคอคอลงมาถึงเออมาถึงบ่าไหลมาถึงไหาปาร้ากระดูกไหาปาร้ามันเป็นยังไงมันจดเข้ามายังไงจากนั้นก็มาถึงไหลมาถึงแขนอไล่ลงไปแขนขวาซะก่อนข้อบน ม, นมันมีกระดูกอันเดียว อันต่อมากัเป็นกระดูกเป็นข้อข้อพับได้จากนั้นก็เป็นกระดูกท่อนที่สองแขนที่สองลงไปเนี่ยกเป็นกระดูกสองซี่จากนั้นก็ดูฝ่ามือลงไปฝ่ามือพอถึงฝ่ามือกับมีนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเราก็ดูนิ้วโป้งมันมีกี่ข้อกําหนดดูนิ้วชี้มันมีกี่ข้อนิ้วกลางมันมีกี่ข้อ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 ขยับไปขยับมาได้จากนั้นมาก็ขึ้นมาถึงแขนกำหนดขึ้นมาอีกมาถึงข้อศอกมาถึงต้นแขนจากนั้นก็มาถึงหลังขยับมาดูทางด้านซ้ายอีกกำหนดดูทางซ้ายอีกเราไม่ต้องรีบต้องเร่งไม่ต้องรีบต้องด่วนการนั่งภาวนากำหนดให้ชัดเจนให้มองให้ชัดเดินไปช้าๆกำหนดไปช้าๆดูไปช้าๆกำหนดให้ชัดเจน สันฐานของมันเป็นไงกระดูกมันสีขาวขาวๆเหลืองๆอ่าจากนั้นมันก็ลงไปถึงแขนอีกแขนมีข้อเดียวมีข้อซอกแขนข้างล่างมีอยู่สองซี่ซี่ใหญ่กับซี่เล็กอ่ามันอยู่ด้วยกันเลยจากทั้นก็มีข้อมือจากนั้นก็มีหัวแม่โป่งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยกําหนดดูให้ดีจากนั้นก็ดูเป็นข้อๆจากนั้นก็ขึ้นมาแขนไล่ลงไปละบาด ไล่ลงไปกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อลงไปจากนั้นกับมีกระดูกชี้โคง้งออกมาออกจากกระดูกสันหลังมีกระดูกชี้โคง้งในบ้านเนี่ยกระดูกชี้โค้งซ้ายขวามันมาจดกันที่หน้าอกไล่ลงไปเรื่อยๆจนกระดูกสั้นๆลงไปแถวเอวมันกระดูกสั้นเนอจากนั้นก็มีข้อลงไปไปถึงเชิงการถึงกระดูกสะโพกมันก็นเหมือนกับ ลูกหมากรตอย่างนั้นอะ่ะเออมันหมุนหมุน่นะเป็นกลมกลมอยู่ที่กระโพกสองข้างอ่ามันตะปุ่มอย่งนั้นอะ่ะมันยึดกันอยู่เอ็นมันยึดเอาไว้จากนั้นกลงมากับกระดูกขาขวาเป็นยังไงกระดูกเตี้ยวกระดูกหัวเข่ามีสะบ้าอ่ามันปูดปูดกลมกลมอ่ะจากนั้นก็นลงไปกระดูกแข้งกระดูกแข้งมีสองไปกระดูกไปลงไปข้อเท้า ออกจากข้อเท้ากับไปถูฟ้าตีนฟ้าตีนกับมีซี่ีไปนิ้วโปง่งนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วก้อยมันจะไม่ยาวเหมือนนิ้วมือได้บ้างไดูให้ดีปลายมันแหลมแหลมนังกระดูกนะจากนั้นก็ดูขวาขาขวาเสียด ก, กับย้อนขึ้นมาดูถึงกับพกย้อนลงไปดูขาซ้ายอกีกไล่ลงไปอกีกจากนั้นก็ย้อนกลับขึ้นมาอกีก ไม่ให้ส่งจิตไปข้างนอกให้มันเห็นอยู่ตลอดในการพิจารณากําหนดดูกระดูกเสร็จแล้วเอาไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมากัดมาถึงเอวจากนั้นก็นไล่ขึ้นมาถึงขีโคลงดูไล่ขึ้นมาเรื่อยกระดูกสันหลังเป็นขอ้ขอขอขึ้นมาจนถึงกระดูกแขนกระดูกไล่ขึ้นมากระโหลกศีรษะพอเห็นกระโหลกเรีรษะก็ไล่ลงไปอีกกาหนดดูสิสติของเราอยู่ได้ไหม เห็นได้ไหมถ้าตรงไหนที่มันเบอร์เบอร์ที่มันออกป๊บไปแสดงว่าสติเราขาดแล้วจุดนั้นกลับมาอีกมามาดูอีกให้มันดูจุดเก่านั่นแหละเออจากนั้นเราดูหลายหลายครั้งหลายๆายรอบนะเราเห็นจุดไหนที่มันชัดเจนในความรู้สึกของเราเราเห็นกระโหลกศีรษะใช่ไหมหรือเห็นกระดูกที่โครงใช่ไหมหรือเราเห็นกระดูกขาหรือกระดูกแขนแลือกระดูกนิ้วมือ กระโดกไหนที่เราเห็นชัดเจนในความรู้สึกของเราเอาสติของเราจับอยู่จุดนั้นจ่ออยู่จุดนั้นเพ่งอยู่จุดนั้นไม่ให้ขยับขยือนดูจุดนั้นอย่างเดียวเออพอดูเข้าไปนั่นน่ะเออพราะใจมันมันมันลา้ามันเหนื่อยเลยได้บ่ะเนี้เออเราเพิจารณากําหนดดูมันจะอยู่จุดเดียวเพ่งอยู่จุดเดียวอยู่จิตใจจะเข้าสู่ความสงบได้ปุ๊บทีเดียวล่ะท่นี่ นี่แหละวิธีการนะอันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าปัญญาอกพรมสมาธิใช้ปัญญาให้ความคิดคิดไปซะก่อนปรุงไปตามร่างกายซะก่อนแต่ไม่ให้มันออกข้างนอกให้เที่ยวอยู่กายยานครเนี่ยนครของกายนี่แหละบกปนเวียนอยู่ให้มันอยู่หมุนอยู่เนี่ยจากนั้นก็จิตก็เข้าสู่ความสงบได้อันนี้คือวิธีการหนึ่ง ที่นำมาใช้สําหรับจิตใจของเราเคยฝึกมาแล้วเคยฝึกผ่านสมาธิมาแล้วแต่จิตใจมันเอาไม่อยู่มันยังฟูงฟุ้งไม่รู้จะเอาอยัางไงนี่ให้บังคับอย่างนี้ให้มันคิดอย่างนี้อย่าให้มันออกนอกเออกายของเราเออหรื อ, เ, อ, อเราไม่ถนัดในการพิจารณากระดูกเราจะพิจารณาร่างกายของเราก็าได้ สมมติเอาเป็นโครงกระดูกข้างล่างเนี่ยนะมันมีอะไรอย่างพวกเราสวดเมื่อกี้เนี่ยเอ่อเกษาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อนะรูเอ็นอัติกระดูกอัติกวินชังเยอะในกระดูกว่ากลางม้ามัทยังหัวใจยกระนางตับเอออาการสามสิบสองของร่างกา ย, ยสรุปแล้วก็คือมีโครงมีหนังหุ้มมีเนื้อมีหนังมีเอ็นมีกระดูกเข้าไปข้างในกันนี่ยนะ เหมือนกับเสื้อผ้านะ่ะห้อยพลงพลังอยู่ในลําไส้นะ่ะในท้องนะ่ะเอมีตับไตไส้พุงมีดีมีอะไรห้อยอยู่นั่นนะ่ะเอห้อยอยู่ในโครงกระดูกนั่นนะ่ะ เ, เหมือนกับเราเห็นเขาเราเขาำชำแหละสัตวนะ์น่ะตับไตไส้พุงของวัวควายของเราก็เหมือนนั่นแหละเพราะเราก็มีธาตุสีเหมือนกับเขานะ่ะ เ, เพียงแต่ว่าเรามันอรูปลักษ์มันต่างกันเท่านั้นเอง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 ใจมันยอมรับน ะ, ะเมื่อมันเห็นยอมรับแล้วใจมันจะเป็นยังไงทีนีอความรักที่เคยรักแบบหัวปักหัวปัม๊มมันก็จะถอนคืนที่จะโกรธให้แกใครโกรธจะไม่ลืมหูลืมตามันก็ไม่รู้จะโกรธไปทาไมโกรธให้ร่างกระดูกมันจะหลงในร่างกายตัวเองหลงในร่างของคนอื่นก็ไม่รู้จะหลงไปทำไมเพราะมันมีแต่กระดูก มันมีแต่เนื้อมีแต่เอ็นมีแต่กระดุไม่รู้จะลักจะหลงไปอะไรมากมายนักหนานี่แหละมันบรรเทาเรื่องความโกรธความโลภความหลงลงได้เยอะแยะถ้าไม่หลงกายแล้วถ้าหลงกายแล้วมันหลงไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเพราะนั้นท่านจึงให้พิจารนากายอย่าให้มันหลงอย่าให้มันหลงกายถ้ารู้กายเห็นกายแล้วนั่นหละให้เห็นตามความเป็นจริงแล้ว มันจะไม่ลงเพราะฉะนั้นพวกเราเอาเมื่อได้ยินแล้วก็ น, นําไปพิจารณาดูนะอแนะนําไปปฏิบัติที่บอกที่กล่าวในข้อควาไม่ผิดทีเดียวล่ะนี่แหละตามแถวแนวของอพระพุทธเจ้าพระธรรมพสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างเนี้ยเอแต่ท่านจะสอนแยบคลายมากน้อยยังไงแค่ไหนสุดทแท้แต่แต่ละองค์แต่ละท่านาที่มาชี้แจงแนะนําสั่งสอนเอแตอ่อาจารย์เองเนี่ยบอกว่าเนี่ย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 แล้วจะทํำยังไงจะให้เห็นอยู่อย่างนั้นใช่ไหยพอเห็นมานานแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรพอเห็นก็สักตัวพอเห็นอยู่อย่างนั้นพ็นั่งไปก็เห็นบางทีก็เห็นร่างกายส่วนอื่นด้วยแล้วจะนําไปพิจารณาอย่างไรจึงจะเกิดปัญญาจึงจะเกิดประโยชน์ทางที่ถูกทางทางที่ถูกต้องอันนี้เขาก็ถามเล่า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 เน่เราจะเอาสังขารให้มันเกิดมรรค้างว่าเราสังขารเป็นสมุทยัยเมื่อเราเห็นเขี่ยวเห็นฟันเราก็ปรุงไปในทางที่สวยงามร่างกายโอ้เสร็จสวยงงามผิวพรรณวันณนะพองใสลูกล่างกลางตัวมีแต่ความสวยงามสง่าพาเผยองอาจอาก็พิจารณาไปในทางที่สมุทยัยเป็นเหตุให้ทุกเกิดอันนี้านว่า สังขารไปในทางสมุททยเกิดการมาตารัตรฐานาภาวะหาวิภาวะหานคือขึ้นมาได้ง่ายๆแต่ถ้าว่าสังขารเป็นมัดเมื่อเราเห็นอย่างนั้นเราก็กาหนดดูว่าอันนี้คือร่างกายเนี่ยมันเป็นธาตุสีนะมันธาตุดินกระดูกคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอยู่ในร่างกายของเราอันนี้เป็นของไม่เที่ยง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 ใครว่าเป็นตัวตนของเราเวลาตายไปได้เห็นแต่ทิ้งอยู่ในกองไฟนะนะั่นน่ะกองฟอนนะนะั่นน่ะกองเผาศพนะนะั่นน่ะโอ้สนี่เขี่ยวเนะี่ยอันนี้ฟันฟันกามฟันอะไรก็ว่ากันไปตัวเองไม่เห็นเอาไปด้วยมันจะว่าเราจะเอาไปด้วยได้ยังไงจะเป็นของมั่นคงได้ยังไงือว่าเป็นของเราได้ยังไงเนี่ยการเพีารณาต้องเพียรณาอย่างนี้เวลาจิตสงบลงไป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 อย่างนี้แหละคืออุปจารสมาธิเนี่ยจิต ท, ที่มันอยู่ระดับนี้แหละนำมาพิจารณานำมาพิจารณากายของเราเนั่นแหละให้เห็นเป็นอนิจจังให้เป็นทุกขังอนัตตาให้เห็นเป็นอสุภะให้เห็นเป็นปฏิโกณอันใดก็ได้แล้วแต่เราจะยิบยกในขึ้นในขณะนั้นเวลานั้นช่วงนั้นที่เรานั่งอยู่ได้ทั้งนั้นว่างั้นะ อันนี้คือเวลาเรานั่งจิตเข้าสู่ความสงบันนี้สําหรับผู้ปฏิบัติพอรู้แนวทางแล้วนะที่ผู้เริ่มเมืองต้นก็ไม่ต้องว่ากันละระดับหนึ่งให้กําหนดลมหายใจอย่างที่กล่าวมานั่นอันนี้คือวิถีทางเดินสําหรับผู้ชำนิชํานาญหรือบบผู้ที่จะเริ่มเดินทางด้านปัญญาก็ต้องเจือนาอย่างนี้อแต่ท่านก็ยังถามอีก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 ผมขนเรียบฟันหนังก็ได้ให้เห็นตามสภาพจากนั้นจิตใจเมื่อเห็นตามสภาพแล้วมันก็เกิดความเบื่อหน่ายใครไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะร่างกายจะไปยึดมั่นได้ยังไงเพราะเป็นร่างกายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเมื่อไม่ยึดมั่นแล้วมันก็ปล่อยวางคำว่าปล่อยวางคำนี้เนี่ย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 ปฏิบัติดูนะเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วอาจจะมีเป็นแง่ความคิดอีกัางหนึ่งสำหรับให้เป็นแนวทางสำหรับพวกเราอันนี้ก็คือวิธีการเดินมักเดินวิปัสชนานะที่ว่าทาจิตให้สงบทาจิตให้เป็นหนึ่งนั้นคือนั่นคือสมถะแต่นี่เราบีบิต ว, วิธีการพูดอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มอธิบายเรื่องการพิจารณากระโดกนะั้นน่ะ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 ทำจิตให้สงบให้ได้เนี่ยก็เป็นกุศลอย่างมากอา่าทำจิตให้สงบให้ได้แต่ถ้าว่าท่านผู้ใดอือจะจิตสงบเป็นพื้นฐานแล้วอพอเป็นพื้นฐานแล้วก็นำมาพิจารณาอย่างที่ได้กล่าวมานี่แหละ เ, เ, เกิดประโยชน์จิตใจของเราก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆอธรรมะปัจจตังจะเกิดขึ้นในใจของพวกเร า, เาก็งนั้นวันนี้